สิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดนานมาแล้วเมื่อเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์คือเอลฟ์อาศัยอยู่ชื่อชลชลมักจะชอบช่วยเหลือมนุษย์ที่มีความกล้าหาญและมีจิตวิ ญ, ญญาณที่ชอบทมในสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้น ชโลท่องเที่ยวไปเมืองต่างๆเพื่อที่จะหามนุษย์ที่มีความสามารถทําเรื่องวิเศษได้ในเมืองหนึ่งมีชายหนุ่มรูปงามชื่อว่าอันโตนิโออันโตนิโอเป็นช่างทํานาฬิกาและเป็นเพื่อนสนิทของชอโลเขาเป็นคนจิตใจกว้างฉลาดและทํางานวันหนึงนน่งคนทรงสารของพระราชามาพร้อมกับศาร วังนทุกคนเจ้าหญิงตัดสินใจที่จะแต่งงานกับคนที่ทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากที่สุดจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงและได้เมืองครึ่งหนึ่งไปใคที่อยากจะแสดงความสามารถของตนเองสามารถไปที่วังได้พรุ่งนี้นี่สมันจะเป็นอะไรกันแ่มันจะเป็นอะไรกันแ่เขินเชืนี่ยนี่มันเยี่ยมมากเลยไหนจะทำอะไร เพื่อให้ชนะใจเจ้าหญิงล่ะฉันละ่ะฉันจะทำอะไรก็ได้นายไม่คิดว่านายสามารถทำสิ่งที่วิเศษได้เหรอนี่นายบ้าไปแล้วเหรอสิ่งที่วิเศษที่สุดที่ฉันทำได้ก็คือพานายไปหาพวกเขานายคือสิ่งที่ไม่ปกติที่สุดในชีวิตฉันตอนนี้เลยืมฉันไม่แนะนำให้นายทำแบบนั้นแน่นอนแต่ว่านายทำนาฬิกาใช่ไมละ่ะ ทำไมนายถึงไม่ทำนาฬิกาที่มันน่าเหลือเชื่อละ่ะการทำนาฬิกาไม่ใช่เรื่องน่าเหลือเชื่อแต่การทำนาฬิกาที่น่าเหลือเชื่อมันวิเศษมากนะนายว่าไหมละ่ะอ๋อฉันไม่คิดว่าฉันจะทำได้นะชอนโลนายจะรู้ได้ยังไงนายยังไม่ได้ลองเลยนี่ทำให้แอนโตนิโอคิดได้เขาไม่มีอะไรจะเสียอย่างน้อยเขาสามารถลองได้ แอนโทนีโอทํางานของเขาเสร็จก็กลับไปนอนมันมืดมากแอนโตนิโอเอาแต่จ้องกล่องเครื่องมือของเขาเขาคิดว่าเขาสามารถจะทําสิ่งที่น่าเหลือเชื่อได้ไหมและเขาจะรู้ได้อย่างไรหากเขาไม่ได้ลองอ๋เขาเอากระดาษมาวาดภาพแบบคร่าวๆถึงนาฬิกาที่เขาจินตนาการถึงและมันก็เริ่มบางทีซอนเลออาจจะพูดถูกนะ ความคิดของเขาเต็มไปด้วยเรื่องวิเศษที่นาฬิกาของเขาจะทำได้เขาทำงานเป็นชั่วโมงเขาตื่นเต้นจนไม่กินหรือนอนในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นผู้คนมารวมตัวกันที่วังเพื่อที่จะโชว์ความสามารถของตนเองมีนักฟันดาบที่สู้กับตนเองมากกว่าคนอื่นฮะเฮ่ มันน่าเหลือเชื่อใช่ไหมที่ฉันเอ่อสามารถเอ่อทำร้ายตัวเองได้แน่นอนคนต่อไปโอฉันสามารถนอนได้เป็นเดือนด้วยล่ะเออเออออเขาหลับลงแล้วเหรอพ่อค้าเราต้องรอให้ถึงเดือนไหมเพื่อที่จะปลุกเขาให้ตื่นเอาตัวออกไปใช่แล้วล่ะ ยกเขาออกไปมันคงจะง่ายกว่ามีนักมายากลสองคนที่เริ่มเบื่อการโยนแอปเปลิลและแพเปลี่ยนมาเริ่มโยนโต๊ะและเก้าอี้มาถึงจุดนี้เขาเบื่อที่จะพิสูจน์ตนเองจนเริ่มโยนมหาดเล็กฉันไม่รู้ว่านี่มันคือสิ่งที่น่าเหลือเชื่อหรือไม่แต่ฉันจะอ้วกหากไม่หยุดเรื่องพวกนี้ลงซะแต่ว่าฝ่าบาดต่อไป เขาอยากจะโยนท่านอ๋อน่ากลัวคนต่อไปและแอนโตนิโอก็เข้ามาเขาค้องคำนับเจ้าหญิงและพระราชาอเอ่อผมทำนาฬิกา่าบาตและผมจะให้ท่านดูงานของผมผู้เข้าแข่งขันเชื่อว่าแอนโตนิโอยังไงก็แพ้เนื่องจากเขาเป็นแค่ช่างทำนาฬิกา แอนโทนีโออพาคลุ่มออกและนาฬิกาประหลาดก็ปรากฏขึ้นออนั่นเป็นนาฬิกาที่น่ากเกลียดที่สุดที่ฉันเคยเห็นให้อภัยผมด้วยฝ่าบาทแต่ว่าความสามารถและความฉลาดจะส่งผลสําเร็จแบบที่ความสวยทําไม่ได้นี่นายหมายความว่านาฬิกานี้ฉลาดเหรออืมในทําให้เราดูซิว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้่ สิ่งที่แอนโตนีโอทำก็คือจะปุ่มกดตรงกลางของนาฬิกาและนาฬิกาก็เร่าหมุนในขณะที่ทุกคนสงสยัยนาฬิกาก็อยุดที่เลขหนึ่งและชายที่ทำด้วยไม้ก็ออกมากดข้อที่หนึ่งจะทำให้ชีวิตมีความสุขคือมีความเชื่อเชื่อว่าตัวเองเป็นใครและชีวิตจะสมบูรณ์นั่นคือกดข้อเดียวหากจะถามฉัน คนดูได้ตกใจและชายที่<อ>ถูกทำด้วยไม้ก็กลับเข้าไปนาฬิกาหยุดเลขสองก็มีนักบัลเล่ออกมาท่าทีที่พวกเขาเต้นและขยับมันเหมือนเวทมนต์เข็มหยุด่เลขสก็มีพระจันทร์และพระอาทิตย์ออกมาเออไม่ใช่ของจริงนะและสิ่งที่สก็คือดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้า คือดาวสิริอุสและนี่มันคือเรื่องจริงนะเรื่องจริง <c oughs> โอ้เลขสี่ทำให้นาฬิกาหยุดอยู่ที่เลขสีและนาฬิกาก็หยุดที่เลขสี่มันคือปริศนาที่ทุกคนในวังต้องแก้มีดอกทิวลิปตกักกแตนรังนกเปล่าและผละไม้ออกมาเดี๋ยวนะดอกทิวลิป กินตะกัแตนและวิญญาณตะกัแตนนั่งอยู่ในรังนกและกินผลไม้มันคือพิษนาลอกไม้กินมแมลงที่บริสุทธิ์และวิญญาณของมันกินผลไม้เหรน่ากลัวมากเลยฉันรู้ว่ามันคืออะไรนั่นมันคือสีหรือดูตอกทิวลิปโตให้ฤดูใบไม้ผลิและแตกะกัแตนมาให้ฤดูร้อนดังนกเปล่าหมายถึงฤดูหนาว เพราะว่า น, นกได้บินออกไปจากรังนกแล้วและผละไม้คือมันในฤดูใบไม้ร่วงมันคือฤดูเก็บเกี่ยวยังไงแล้วเยี่ยมมากทันทีที่ปริศนาถูกแก้ออกสิ่งต่างๆก็กลับเข้าไปและนาฬิกาก็หยุดที่เลขห้ปริศนาอีกข้อก็ออกมามีแว่นตาของถ้วยที่เต็มไปด้วยสมุนไพรสดจานที่เต็มไปด้วยอาหารอบ และลูกหมาอืมนี่น่าจะเป็นสัมผัสทั้งห้าแว่นเพื่อการมองเห็นของเพื่อการฟังโอ้กินของสมุนไพรสดและอาหารที่น่ากินและ อ, อ๋อสัมผัสเอา้าฉันขอจับเจ้าลูกมาได้ไหมอะทันทีที่ปริศนาถูกแก้สิ่งของต่างๆก็รีบกลับเข้าไปเพราะว่าแม้แต่นาฬิกาก็ไม่อยากจะสูนสัมผัสต่างๆ และตอนนี้ก็ครึ่งหนึ่งของเวลาแล้วและลูกเต๋าก็ออกมาเพื่อให้ทายโอ้นั่นมันพังหรือเปล่าไม่มีลูกเต๋อใดที่สามารถโชว์เพียงแค่เลข6กเออมันไม่เสียครับนั่นคือเวลาของนาฬิกาโอ้ <c oughs> ฉันรู้อยู่แล้วพอถึงเลขเจ็ดก็มีเด็กเจ็ดคนออกมา พวกเขาหมุนเป็นวงกลมและหมุนไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดยฉันเูนื่อยเสียใจังและฉันจะตามเธอมาดามีงานต้องทําเยอะเลยเรามาถึงกลางอาทิตย์ได้แล้วเอาเลขสิบสามากใกล้ฉันแล้วฉันจะทําให้เธอปีติรลววันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วฉันอยากนอนออขอขคุณทังหอบฉันหน่อยมาทั้งอาทิแล้ว อ๋อฉันเศร้าจังเลยโอ้ไม่ฉันจะไม่ตามเธอไป <laughs> พวกเขาคือเจดวันของอาทิตย์หนึ่ง <laughs> วันต่างๆได้กลับเข้าไปเรื่องน่าอัศจรรย์มากที่สุดเกิดขึ้น <laughs> เมื่อนาฬิกาหยุดตรงเลขแป <laughs> มีดาวแปดดวงของจักรวาลออกมาพวกมันหมุนไปรอบๆและทำให้เห็นว่าระบบสุริยะสวยงามขนาดไหนทั้งวางเหมือนโดนสะกดจิต และดาวต่างๆได้กลับเข้าไปพอถึงเลข9ก้าก็มีทิงคะเบล9้าตัวออกมาเต้นทั้งหวังชอบการเต้นของทิงคะเบลมากและเข็มหยุดอีกครั้งก็มีสิบสมาชิกสภาออกมาพวกเขาฉลาดมากจนมหาดเล็กกลัวตกงาน ก่อนที่พระราชาจะพูดอะไรขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าท่านใดนั้นเด็กสองคนก็ออกมามาเล่นเกมกันใช่2และ2และวเจ็ดนาฬิกาอยู่ที่เลขนาฬิกาอยู่ที่เลขสิบเอนาฬิกาอยู่ที่เลขสิบเอ็ดทุกคนรออย่างใจจดใจจ่อ แล้วก็มาถึงเลขสิบสองเข็มนาฬิกาหยุดแล้วก็มียิงชราออกมาทุกคนสับสนแล้วเธอก็ร่มร้องเพลงเธอร้องเพลงสิบสองเพลงอย่างไพเราะเสียงของเธอทาให้ดอกไม้บานและนกข้างนอกก็เริ่มเต้นมันเป็นเสียงที่ไพเราะที่สุด เท่าที่ทุกคนจะได้ฟังมาโอ้นั่นคือสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาฉันยินดีที่จะให้มีการแต่งงานของลูกสาวฉันกับชายที่มีความสามารถมากที่สุดอันโตนิโอช่างทำนาฬิกาทุกคนในวังเห็นด้วยว่านาฬิกาเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากที่สุดเจ้าหญิงก็เช่นกัน เจ้หญิงได้ตกหลุมรักกับช่างทำนาฬิกาและทันทีที่พระราชาจะประกาศวันแต่งงานเฮ้ยไม่อโอ้นาฬิกายังดูสวยมากแม้มันถูกทําลายมันวิเศษมากมากผู้คนยืนดูและไม่สามารถละสายตาออกได้เลยฉันได้ทําลายสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุด มันไม่น่าเลือเชื่ออย่างนั้นเหรอออนั่นก็คือเรื่องจริงตามกฎแล้วผมต้องได้แต่งงานกับเจ้าหญิงและได้เมืองครึ่งหนึ่งแบบนั้นถูกต้องไหม ถ, ถูกต้องแล้วอ๋แต่เพคะเออขอโทษดีนะลูกคำสัญญาก็คือคำสัญญา ที่ทั้งเมืองเห็นด้วยว่าการทำลายศิลปะที่สวยงามก็คือเรื่องที่น่าเหลือเชื่อที่สุดใช่ไหมล่ ะ, ะแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้นี่นะ อ, ะอะออ้าเจ้าหญิงของผมคำสัญญาคือสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดไม่ใช่ลักษณะของสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากที่สุดฉันพร้อมที่จะแต่งงานกับนายแล้ว ทุกคนในวังตกใจ oh. และเศร้าอันตโตนิโอเสียใจและนำนาฬิกาพังกลับบ้านเขานั่งบนเตียงและไม่สามารถขยับได้เลยโอ้ oh. นั่นมันแย่มากเลยฮ oh. นั่นมันคือเรื่องจริงนะ <laughs> ฉันโง่มากแค่ไหนที่คิดว่าฉันจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงไม่เป็นไรชอโล ไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ฉันทำดีที่สุดแล้วฉันน่าจะนอนได้แล้วแต่ชอโลไม่ยอมแพ้ให้กับเพื่อนเขาง่ายๆวันถัดมาเจ้าหญิงต้องแต่งงานกับชายที่ถูกเรียกว่าจอมทำลายอย่างน่าเหลือเชื่อ การจัดเตรียมงานแต่งได้ถูกทำขึ้นแต่ก็ไม่มีใครมีความสุขทั้งเจ้าหญิงและพระราชาด้วยจอมทำลายเดินเข้ามาอย่างภาคภูมิใจและยืนข้างกับเจ้าหญิงและทุกคนที่ยืนอยู่ก็มองอย่างเศร้าประตูวางเปิดออกด้วยเสียงข้ออีดังฝ่ามารพวกเขาพวกเขามาแล้วใครมาวิ ญ, ญญาณของนาฬิกาที่พัง มันคือเรื่องจริงชายที่ถูกทำด้วยไมย้วันเจ็ดวันของหนึ่งอาทิตย์ดาวได้บินเข้ามาแกแกคิดว่าแกสามารถทำลายความสามารถหรือศิลปไะลล ไ, ได้เหรอฮะเฮ้ยเอาฉันลงเอาฉันลงไม่ได้หรอกท่านวันจุปทำให้ช่านคนนี้หมุนไปรอบรอบแล้ว อออฉันรู้สึกเหมือนหัวเออคะมผิดถึงใครใน่ะนายคิดว่าศิละปะไม่ผิดชีวิตยังไงกันนะทํทำห้เขาเต้นกันอออหลังฉันเออเอาละ่ะหยุดได้แล้วหยุดเออฉันโง่เองที่คิดว่าสามารถทำลายศิละปะได้ฉันขอโทษให้อภัยฉันด้วยได้โปรดละ่ะอฉันเห็นด้วยฉันอิจฉาคนทำนาฬิกา ความสามารถและความฉลาดของเขาเขาทำนาฬิกาเขาได้ทำในสิ่งที่น่าเหลือเชื่อขึ้นฉันยอมแพ้ใช่ไปเอาตัวแอนโทนิโอกลับมาเดี๋ยวพ่ใครใครก็ได้ไปเรียกแอนโทนิโอของ่ันกลับมาทีนะมาลูกชายฉันนายสมควรได้รับเมืองนี้ครึ่งหนึ่งและ หัวใจของันทั้งเมืองดีใจกับการกลับมาอยู่ด้วยกันของเจ้าหญิงและแอนโตนิโอทั้งทวมเนิกาพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าพวกปีศาจการทำลายจะแข็งแรงแค่ไหนความสามารถที่แท้จริงไม่สามารถถูกทำลายได้และสำหรับจอมทำลายรางเขาทำงานที่วิเศษคือการซ่อมสิ่งของที่พังอย่างที่พูดทุกอย่างจบลงได้ด้วยดี ฮะเก็ดอะไรขึ้นฉันช น, นะและได้เมืองมาครึ่งหนึ่งและได้หัวใจเจ้าหญิงด้วยใช่ไหมไม่ไนายไม่ช น, นะนี่คือตอนจบของเรื่องอไม่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันสามารถให้ดูสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดได้เอฉันสามารถ <c oughs>